สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เดียบราย น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุตพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบห้าเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่ยี่สิบครับในวันนี้เป็นคําวอนที่สามครับคําวอนที่สามก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้าถูงเนื้อหานะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่ามีสองแนวคิดนะครับ ที่ขัดแย้งกันอยู่ที่นี่ในเรื่องของการอธิษฐานคำถามขึ้นมาคือว่า <c oughs> เราจำเป็นต้องอธิษฐานหรือไม่ถ้าน้มัไทยของกรงที่จะสำเร็จมันจะต้องสำเร็จอยู่ดีครับสองแนวคิดนี้ก็คือว่าแนวคิดแรกบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานแนวคิดที่สองก็คือว่าต้องอธิษฐานถึงจะสาเร็จผลีน้องครับในพระเจาของพระเจ้า มีความจริงที่ปรากฏขึ้นในสองแนวคิดนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการอธิษฐานนั้นจําเป็นเพราะว่าอธิษฐานแล้วจะเกิดผลยกตัวอย่างครับคนใช้ของอับราฮัมอธิษฐานเมื่ออธิษฐานแล้วนางรีเบคก้าก็ปรากฏตัวขึ้นพน้องคงจําได้นะครับในปฐมการบทที่ยี่สิบสี่ คนใช่อับราฮัมนั้นได้ออกไปเพื่อที่จะหาลูกสะใภ้ให้กับอิสอัคลูกชายของอับราฮัมนั่นเองโมเสสครับโมเสสอธิษฐานต่อสู้กับคนอามาเลกพระเจ้าก็ช่วยให้อิสราเอลนั้นมีใครชนะต่อชาวอาม า, าเลกนางฮันนาครับนางฮันนาเธออธิษฐาน ก็เป็นหมันครับอธิษฐานขอพระเจ้าสมเอลก็ถือกำเนิดขึ้นมาอิสยาครับอธิษฐานคนอัสเตรียก็ถูกประหารไปหนึ่งแสนกว่าคนดนเนียลครับดนเนียลอธิษฐานสิงโตก็ถูกปิดปาก ที e น้องคับนี่คือตัวอย่างทั้งหลายของการอาธิษฐานแล้วก็เกิดผลแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็โต้แย้งว่าเอถ้าหากว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยยังไงก็ต้องสำเร็จเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไงก็ตาม <c oughs> แผนการของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของตรงนั้นก็ อ, อยู่สูงกว่าความคิดของเราอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานัมีประโยชน์ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำมันไทยของพระเจ้าได้พี่น้องครับสองประเด็นนี้ที่เป็นการโต้แยงกันหลายคนก็พยายามอธิบายครับว่าจะต้องปฏีประนอมอย่างไรได้แต่หนังสือที่ผมค้นคว้าและอ่านครับนักวิจา ก, การทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้าที่ แค่จริงได้ให้ <c oughs> พอ่อคิดที่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะต้องปฏิบนติความจริงทั้งสองประการนี้เหมือนกับการที่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติ n เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าร0อยเปอร์เซนและเป็นมนุษย์100ร้อยเปอร์เซนคล้ายๆหลักการแลเหตุผลแสดงว่าพระเยซูนั้นมีสองร้อยเปอร์เซนหรือ เราไม่อาจเข้าใจได้แต่สิ่งที่สําคัญที่เราพบในรรพระมุทีก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบและในขณะเดียวกันทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมนุษย์หนึ100่งรอยเปอร์เซ็นพระเจ้าซึ่งเราไม่มีทางจะเข้าใจได้ยังมีประเด็นอื่นที่เป็นความจริงในพระรมพัมภีร์แต่เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัตินมได้ ดูเหมือนกับขัดแย้งกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราพบหลักข้อเชื่อในพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนขัดแย้งกันอย่าพยายามให้เกิดการปรินะนอมกันครับเพราะว่าจะทําให้เสียหายทั้งสองด้านถ้าเราถามว่าในพระธรรมมัตติวใครเป็นผู้เขียนพระธรรมมัตติวบางคนก็บอกว่ามัตติวเขียนเองบางคนบอกว่าพระมีญาติสุดเขียนคําตอบนี้จะถูกหรือจะผิดนะครับ ทั้งสองท่านมีส่วนในการเขียนมัตติวเขียนในแง่ของกายภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์เขียนในแง่ของจิตวิญญาณที่รองครับเมื่อเราเข้าใจประเด็นนี้ถ่องแท้แล้วจึงจะสามารถเข้าใจคําอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำมันไทยของพวกครับในสวรรค์เป็นยังไงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกแน่นอนครับ กิงแรกที่เราจะต้องตั้งใจไว้ก็คือว่าต้องตั้งใจที่จะยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สําเร็จในชีวิตของเราให้สําเร็จกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราให้สําเร็จกับคิดเหตุที่พระเจ้าได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราสูงพี่น้องครับพระเนะของพระเจ้ายืนยันให้เห็นครับว่าการอธิษฐานนั้นทําให้บรรลุผลได้นายากอบทที่ห้าสิบหกเบอกว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผล นั่นคือสิ่งที่เกิดผลได้อย่างแน่นอนนะครับพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเอริยาอย่างไรพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานของพวกเราบางคนก็จะบอกว่าเอริยานั้นเป็นผู้เผยวรชนะพระเจ้าก็คงจะฟังเขามากกว่าฟังพวกเราในก็ทํายากอบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดนะครับยืนยันว่าพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราด้วยเหมือนกันแม้ว่าเอริยาจะเป็นผู้เผยวรชนะ แต่ท่านก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายยากอบบทที่ห้าข้สิบเจ็ดครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าคําอธิษฐานของผู้ป่วยพจนะหรือคําอธิษฐานของธรรมิจชนเช่นพวกเรานะครับพระเจ้าก็ฟังเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานนะครับท่าทีของการอธิษฐานหรือพลังแห่งการอธิษฐานนั้นมันเกิดจากการไม่อ่อนละอาใจครับ ลูกาบทที่สิบปดข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราจะต้องอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนละอาใจอาจารย์เปโลกล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบแปดว่าเราจะต้องอธิษฐานวิงวอนด้วยความเพียรทุกอย่างนะครับและอธิษฐานอย่างสม่าเสมอด้วยหนึ่งเทศกาบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นท่าทีในการคธิษฐานเป็นความตั้งใจครับที่จะใข้ควรานพิจารณาพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐาน ค่อยคำที่เราอธิษฐานนั้นอาจจะกําลังเผชิญกับความขัดแย้งภายในจิตใจนะครับเราต้องการที่จะพูดว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้เป็ดไปตามพระไถยของพระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่ากันหมายความว่าเรากําลังถามพระองค์ใช่ไหมครับว่าพระองค์ยังมีสิทธิ์ขาดหรือสิทธิ์ที่อํานาจสูงสุดในชีวิตของผมหรือเปล่าบางคนบอกว่าคําอธิการอธิษฐานนั้นไม่มีความจําเป็นนะครับ ในส่วนของอีกฟากหนึ่งนะครับที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้จัด ก, การทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ดําเนินไปตามแผนการของพระองค์อยู่แล้วทําไมเรายังต้องอธิษฐานขอว่าขอให้เป็นไปนตามพระใจของระงค์แต่เมืเ่อเราอธิษฐานอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนหรือในอแง่นึงก็คือว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจของพระองค์ได้หรือ ้หรกอเปล่าครับพี่น้องครับท่านคิดยังไงแล้วก็อรรษานให้พระเจ้าทำในสิ่งที่นอกเหนือไปจากแผนการของพวกเองได้หรือเห็นไหมครับแม่ของเซมเอลนางหันนันคงจะสงสัยพระเจ้ามากเพราะว่าอธิษฐานมานานนะครับแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเธออธิษฐานว่าไงครับอธิษฐานขอลูกเพราะเธอเป็นหมนัพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าแปลกใจมาก ถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เขามีลูกทาไมพระเจ้าให้เป็นหมันเห็นไหมครับท่านีบอกอะไรครับพ่านีบอกว่าคนคนนี้เกิดมาตาบอดเพื่ออะไรครับเพื่อให้พระเกียรติและพระสิริของพระเจ้าได้ฉายผ่านชีวิตของเขาแสดงว่าพระเจ้ามันมีน้ำารัทไยที่อยู่สูงมากจนเราไม่เข้าใจและได้ท่านพีเดียวนะครับ ความปรารถนาของเราเนี่ยมีอิทธิพลเหนือน้ําันไทยของพระเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามตามนะครับพระเจ้าก็ตอบคมอธิษฐานของเราทุกอย่างครับแต่พระเจ้าตอบว่า yes no wait สามอย่างครับถ้าเราไม่โตพระเจ้าก็บอกว่าให้เราคอยครับให้เราโตก่อนถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพระเจ้าก็บอกให้เรากโก gio โกครับก็คือไปได้โอเคนะครับถ้ า, าว่าเราไม่พร้อมพระเจ้าก็บอกว่าเรารอหรือไม่เอาพงไม่ให้พี่น้องครับถ้าการอธิษฐานนะครับทำให้บรรลุผลในขณะที่พระเจ้าก็ยังมีสิทธิ์ที่อำนาจสูงสุดมันก็ดูเหมือนขัดแย้งกันใช่ไหมครับพี่น้องลองคิดดีๆแต่อย่างนี้ก็ตามครับ เราพูดเรื่องนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายครับแต่เราไม่พยายามที่จะให้ทําทําให้เกิดการประนีประนอมเพราะว่าจะทําให้เกิดการเสียหายในขณะเดียวกันครับถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เป็นเช่นนี้เราต้องปล่อยให้เป็นไปตามนี้เราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดในเรื่องศาสนาศาสตร์แต่เราเดินไปด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อว่าพระเจ้านั้นให้เราอธิษฐานในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ให้ น้ำพระไทยของพระองค์สำเร็จตามพ่อพระไทยของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงมีสิทธิอหนาจสูงสุดครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างและผู้กำหนดระบบของจักรวาลพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่พรงจะทรงกระทำได้อย่างแน่นอนและมีสักวันหนึ่งนะครับเราจะรู้อย่างที่พระองค์ทรงรู้จักเราพี่น้องครับการอิจฉายังคงเกิดผลอยู่เสมอครับพี่น้อง แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้สอดคล้องกันได้ยังไง น, นะครับอยากปล่อยให้ศสาสนศาสตร์ของเรามาทําลายชีวิตการอธิษฐานของเราทันทีที่เราตัดสินใจยอมรับว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องที่สมควรทําเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องที่จําเป็นมากสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนแม้ว่าพระเจ้าจะกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามก็เท่ากับว่าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการอธิษฐานแล้วครับพี่น้อง การอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูนั้นต้องออกมาจา ก, ก จ, จิตใจความตั้งใจ แ, น, แน่วแน่แนที่ปรารถนาที่จะเชื่อและเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคําสอนของการอาธิษฐานนี้การอาธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูนะครับต้องออกมาจากทัศน์และคติภายในจิตใจของเราที่มีต่อพระเจ้าที่ตรงนะครับเราไม่สามารถที่จะอธิษฐานว่าของข้าพงษ์ทั้งหลายได้ถ้าว่าเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง ไม่เคยได้อยู่เพื่อพวกเราหรือไม่เคยได้อยู่เพื่อคนอื่นเราอาจจะไม่เรียกเราอาจจะไม่ไม่อาจจะเรียกว่าพระบิดาได้ถ้าหากว่าแต่ละวันเรายังไม่กระหายที่จะทำให้สมกับที่เป็นลูกของพระองค์เราไม่อาจจะพูดว่าผู้สถิตในสวรรค์ได้ถ้าหากว่าเรานั้นยังไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เราไม่อาจจะพูดว่าขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เขารบสักการะได้ถ้าหากว่าเราเองนั้นยังไม่ได้ต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้สมควรแก่การยกย่องสองรรเสริญเคารพสักการะเราไม่อาจใจิี่ฉนว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่สุดที่จะเร่งนะครับที่จะบุกเข้าไปในแผ่นดินนั้นเราไม่อาจใจที่ฐานว่าขอให้เป็นไปนตามพระทัยของพระองค์หากว่าเราไม่พร้อมที่จะเชื่อฟังที่จะทําทตามเจ้าประสงค์ของพระองค์เลย ดนั้นคับสิ่งนี้เป็นท่าทีการอธิษฐานเบื้องต้นที่เราจะอธิษฐานําวิงวอนที่สามนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีจิตใจที่พร้อมที่จะเชื่อฟังและพร้อมนะครับตั้งใจพร้อมที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่และในกณะเดียวกันครับที่จะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราแต่ละคน ขอพะเจ้าช่อแล้วนะครับให้เราพบกับความจริงข้อนี้มีเง